วันนี้เป็นวันที่สิบสองกันยายนพุทธศักราชสองัห้าอห้าสิบห้าวันนี้พระของเราไม่ลงมาฉันสิบสองรูปมือเช้าเห็นลิงมันก็คงหิวอ่านลงมาแย่งอาหารที่เขาใส่บาท พระแต่บางวันก็มีอยู่แต่เป็นบางวันบางวันก็มากแต่วันนี้รู้สึกว่ามันยุ่งพอสมควรหลิงในวัดของเราในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีไหมที่สัตว์ทําบาปเป็นบาปทําบุญเป็นบุญทําบาปเป็นบาปถ้าว่าทําบุญเป็นบุญก็ต้องทําบาปเป็นบาปเหมือนกันนะ ถ้าว่าจัดทั้งหลายทำบาปเป็นบาปก็ททำบุญก็ต้องเป็นบุญอีกเหมือนกันคืออย่างพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ป่าเลไลช้างมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าแล้วกรลิงได้นาผ ล, ลไม้นาน้ำผึ้งมาถวายพระพุทธเจ้าเขาควรได้บุญแล้วจากนั้นก็ไปสู่สวรรค์ อันใ้สงแห่งการปฏิบัติพระพุทธเจ้าแต่ใ้การทำบาปพวกสัตว์ทั้งหลายทำบาปเป็นบาปไหมก็เป็นบาปเหมือนกันคือในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปรารบเรื่องเปรตพระพุทธเจ้าเจเ็จประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์พร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่พระหลายรูปหลายร้อยรูป ที่กรุงราชคักขแต่พระโมคคลากับพระลักษณะท่านขึ้นไปจําวัดไปพักแรมอยู่ที่เขากิจกุฎในกรุงราชคักขพอตอนเช้าพระโมคคลากับพระลักษณะลงมาปินทาบาทแต่พระลักษณะเป็นลูกศิษย์เดินตามหลังพระโมคคลาพอมาถึงตีนเขา พระโมกขาลาท่านเห็นเห็นเปรตในความรู้สึกในเห็นในตาทิพย์ของท่านพระโมกคลาเห็นเปรตตาทิพย์ของท่านท่านกระยิ้มก็ว่าแย้มยิ้มพระลักษณะที่เป็นลูกศิษย์ก็ถามว่าท่านอาจารย์โมกคลาครับท่านอาจารย์ยิ้มแย้มเพราะอะไรครับพระโมกคลาบอกว่า การนี้ไม่ไม่ใช่การที่จะพูดในเรื่องนั้นที่เรื่องเรื่องนี้ในเมื่อเราไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าอยู่ต่อพระพักพระพุทธเจ้าคืออยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าท่านอยากจะถามยังค่อยถามผมได้นะแต่การนี้ยังไม่เหมาะที่จะตอบ ป, ปัญหานี้พลักษณะก็ครับผมจากนั้นก็ไปบินทาบาท พอบิณทบาทในกรุงราชจะคือจากนั้นก็ฉันอาหารพอฉันอาหารเสร็จแล้วก็พระพุทธองค์คงจะรับพระสงฆ์หรือวรับแขกในหลังที่ฉันอาหารพระโมกขลากับพระลักษณะเกิเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าในช่วงนั้นก็มีพระสงฆ์มีคงจะมีพระสงฆ์หมู่ใหญ่แต่จะมีอุบาสกอุบาสิกาด้วยหรือไม่แต่มีพระสงฆ์ หลายหมู่หลายองค์นั่งพอนั่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ปั้กลถามเรื่องราวในพระสงฆ์จากนั้นพระลักษณะก็เลยถามขึ้นว่าท่านอาจารย์โมฆคลาครับที่ท่านอาจารย์ลงมาจากตีนเขาคิดสกูดนั้นท่านได้ยิ้มกระผมก็ได้ถามพระอาจารย์ว่ายิ้มด้วยเหตุอันใดครับท่านอาจารย์ตอบว่าให้เราไป อยู่ต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าซะก่อนยังค่อยถามในเรื่องนี้แต่บัดนี้มาอยู่ต่อหน้าพระพุทธองค์แล้วพระพุทธเจ้าแล้วผมขอถามว่าท่านยิ้มในช่วงนั้นด้วยเหตุอันใดครับผมพระโมคคลาบอกว่าผมลงมาผมเห็นเปรตผมเห็นเปลตตัวยาวมากเหมือนกับตัวงู แต่หัวเป็นคนแต่ตัวยาวแล้วก็ไฟไหม้จากศรีรษะลามไปถึงหางแล้วก็ไหม้จากหางลามมาถึงศรีรษะลามจากศรีรษะลงไปถึงกลางตัวแล้วก็ลามจากกลางตัวไปถึงศรีรษะถึงหางคล้ายๆไฟไหม้อยู่ตลอดเขาได้รับทนทุกทรมานด้วยบาปกรรมอะได พระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธองค์บอกว่าที่โมฆคลาภูดนี่ถูกต้องเราก็ได้เห็นในเมื่อวันตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพนเราเห็นเปรตเหล่านี้เรามองเห็นเราเห็นกรรมกรรมของเปรตเหล่านี้เราเห็นได้พระสงฆ์ก็เลยถามกลับทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าด้วยบาปกรรมอันไหนพระพุทธเจ้าคะ คือพระพุทธองค์รับรองว่าพระโมกคลาเห็นเปรตมีจริงๆเราก็เห็นไม่ใช่จะเห็นแต่โมกคลานะียใค้เข้าว่ารับรองความรู้ความรู้ความเห็นพระโมกคลาที่เห็นแล้วนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรับรองแต่พระพองค์บอกว่าแต่ก่อนหน้านี้เราเห็นแต่เราไม่พูดเพราะเหตุอใดเพราะถ้าเราพูดไปคนทั้งหลายผู้ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เห็นเขาก็ไม่เชื่อ คำไม่เชื่อของเขานั้นจะทำให้เขาไปสู่นรกได้เพราะนั้นเราจรึงไม่พูดทิ่งที่เราเห็นไม่ใช่เห็นอะไรก็จะพูดทุกอย่างก็ต้องมีเหตุผลแต่ในโมกคลาเห็นเราจรึงรับรองว่าเราก็ได้เห็นเหมือนกันอย่างที่โมกคลาเห็นเพราะนั้นพระโมกคลาเห็นตามความเป็นจริงพระสงฆ์เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าเปรตตัวนั้นเขาได้ทำบาปกรรมอันไหนไว้หนอพระเจ้าค่ะ พระองค์บอกว่าเปรตตัวนี้ตะกอนเคยเป็นกาเป็นกาในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจสปะคนทั้งหลายเขาก็ในมนตพระพุทธเจ้ากัจสปะพร้อมกับพระสงฆ์ไปฉันในที่นิมนต์จากนั้นพระพุทธเจ้ากัสจปะพร้อมกับพระสงฆ์ขึ้นไปประจำที่นั่งจากนั้นเขาก็เอาบาทมาตั้งไว้ผี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเขาก็มาตักบาตร พอตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็นําบาตรขึ้นไปถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์กี่บาตรองค์ไหนท่านก็จะถวายองค์นั้นแต่นี้กามันอยู่ในละแวกนั้นเห็นเขากําลังจะอุ้มบาตรเขาใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาอุ้มบาตรขึ้นไปถวายพระพุทธเจ้ากษัตริกาตอนนั้นก็บินลงมาโฉบลงมา เทือุบาสกก็ไม่รู้จะวางบาดยังไงเพราะมันอุ้มบาด ท, ทั้งสองมือแล้วก็มีฝาบาดนั่นนะก็มันจะทํำยังไงกาก็ะเลยมาคาบเอาข้าวในบาดของอุบาสกไปกินแล้วก็โลกไม่คาบอีกคาบถึงสามครั้งกินถึงสามครั้งเรากินกาจ น, นั้นกาบคาบถึงสามครั้งแต่พอตาย <c oughs> จากนั้นมากายตอนนั้นก็หมดอายุตายไป ไปเกิดในอเวจีมหานรกไปเกิดในอเวจีเพราะว่ากินข้าวที่เขาจะถวายสงฆ์แต่มิใช่ว่าเขาถวายมาแล้วที่มันเหลือจากพระสงฆ์ไม่ใช่กาบอกว่านะที่เขาถวายจากพระสงฆ์เหลือไปแล้วไม่ใช่อันนี้เขาจะถวายพระสงฆ์แต่ไม่ใช่ของเรา เขาถวายพระสงฆ์แต่เราไปกินของเขาที่เขาจะถวายน้อมถวายสงฆ์เราก็เลยบาปเป็นบาปกรรมตกนรกจากนั้นก็พ้นจากนรกมาในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะมาถึงศาสนานี้เราก็ได้รับบาปกรรมไฟไหม้ตั้งแต่ศีรษะจนถึงหางแล้วก็ไหม้จากหางมาถึงศีรษะแล้วก็ไฟลุกตรงกลางลามไปคนละข้างกัน อย่านันก็ไฟแต่ละข้างลามมาถึงจุดกลางแล้วก็ลามไปลามมาอย่างนั้นไฟมันลุกลามไปอย่างนั้นไฟมันลุกลามไปลุกลามมาถึงศีรษะจนถึงหางหามมาถึงหัวนี่แหละได้รับทุกทรมานอันนี้ก็คือบาปบาปกรรมพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าบาปกรรมอย่าทำจะเลยดีกว่าความชั่วอย่าทำจะเลยดีกว่านะเมื่อทำไปแล้ว กรรมนั้นจะตามจะตามให้ผลเมื่อภายหลังเมื่อเขาทำกรรมกรรมนั้นยังไม่ให้ผลเขาก็ยังพูดได้เหมือนกับเราทานกินยาพิษเข้าไปในท้องเราก็พูดได้ว่าเอ๊ะทำไมเรากินยาพิษเรากินยาเข้าไปไม่เห็นมันมีโทษอะไรเพราะยาพิษยังไม่ให้ผลแต่เมื่อยาพิษให้ผลขึ้นมาเมื่ อ, อไรเมื่อนั้นคนคนนั้นเขาจะหยุดพูด เขาจะหยุดเอว่าพิษย่าพิษไม่ให้ผลเขาจะต้องทษหล่นผู้ลายอันนี้ก็เหมือนกันในขณะที่ทํากรรมชั่วกรรมชั่วยังไม่ให้ผลเขาก็พูดได้เขาก็แสดงความปาฏมาทหรือว่าแสดงความให้แกใคร ๆ, ๆฟังได้หเอคาดถามกรรมแล้วไม่เห็นมีอะไรเพราะว่ากรรมนั้นยังไม่ให้ผล ยังไม่ให้ผลในเมื่อก ร, รมชั่วให้ผลแล้วเขาจะพูดไม่ได้เขาจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปนี่แหละแต่ลิงของเราอยู่ที่หน้าวัดเนี่ยมันกินอาหารก็คงกินอาหารเศษบาสมั้งแต่ถึงยังไงก็ตามนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นเจ้าของหลวงพ่อเออลิงเอ้ยมึงจะกินก็มึงหิวของมึงหลวงพ่อมาให้เป็นบาปเป็นกรรมนะลิงหน่า เกิดเป็นลิงก็ทนทุกทรมานพอแรงแล้วตากแดดตากฝนทาไรทํานากินก็ไม่เป็นกินของธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกระดูการบางครัง้งก็ขาดบางทีบางตัวก็พร้อมเพรา ไ, ไม่มีไม่มีอาหารกินบางตัวก็ขนหลุดลนอีกต่างหากพอมันมีโอกาสมันพอจะได้กินก็กินซะ หลวงพ่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมเดือดิงเอ้ยใช้บาปใช้กรรมของลิงกัพ่อแรงอยู่แล้วยจะมาใช้บาปใช้กรรมกับกับครูบาทั้งหลายอีกก็ยิ่งจะเพิ่มบาปกรรมไปอีกหลวงพ่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมนะแต่ครูบาทั้งหลายก็ควรจะคิดอย่างหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะเพราะว่าคนเราสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเรา มีกรรมอยู่แล้วก็ยิ่งเพิ่มกรรมชั่วเข้าไปอีกก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะนั้นให้อภัยกันให้อยู่เย็นเป็นสุขทั่วนหน้ากันเกิดพบไดชาติใดหมู่ใดกลุ่มใดก็ขอให้มีความสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปัตนาทุกๆวิญญาณด้วยเทอนิน เราต้องคิดอย่างนั้นอันนี้คื อ, คอการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขทวนหน้ากันแต่ว่าเรื่องจะเป็นจะได้ผลยังไงนั้นอันนั้นก็สุดแท้แต่เพราะมันกรรมเหมือนกเราไปจับไฟหลวงพ่ออินจะให้พรขนาดไหนก็ไท้เถอะเจ้าอยร้อนนะเจ้าอยร้อนนะแต่ตัวเองไปจับไฟมันก็จะทำยังไงได้กรรมคือการกระทา ถ้าเราไปจับไฟไฟเขร้อนเพราะนั้นพวกเรารู้อยู่แล้วว่าอันไหนเป็นไฟอันไหนสิ่งที่ไม่ดีเราก็รู้แก่ใจเพราะนั้นสิ่งไม่ดีอย่าทำนะถ้าทําเข้าไปแล้วจะ ถ, ถึงหลวงพ่อจะให้พร อ, อย่ า, ยาร้อนอย่าร้อนมันก็ร้อนอย่างเก่านะลูกหลานคณะทศไทาญาติโยมนะเพราะนั้นกรรมชั่วจะทํำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วตัวเองตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะอันรับพร อ, อนุโมทนาให้พร